มักมนกมะม้นะนแนี้มยม่นงนย่่คกสาวหามที่มาจาไหนก็เลยไม่ิั้รยนนตัมา อาจจะคือสัหรณ์ทางครู้สึกรสชาติมันดีจุงนะมีหมายถึงคนจิตเข้าธรรมะไปอยู่ในต่างในเท้าที่เจรณาธรรมะอยู่ตลอดระยะเวลาสังฆะส่วนตัวแต่ห่ยยินตับครือตากอาจารย์เองอื่นทำแสดงน้อสังให้แต่เรากอ ยินดีเรียนสายในทางปฏิบัติของเราพอมเจื่อจะเจออาจารย์เขาแต่เออสามารขึ้นรู้สึกอยามันยนใจสบายใจนี่คือคนชอบธรรมะยินดีธรรมะโยเฉพาะตัวต่อของที่เจราธรรมะปฏิบัติธรรมะนะคพบ ใอ้ ang th ang. Th ังเขา่นเหตาเนื้อสามให้จิตใจก็ยอมรับยินดีเปิดใจที่จะสดบรับฟังควิดเห็นัองท่นถนแบบนั้นการฟังธรรมะมันงดเวรมันยินดีมันเปิดใจที่จะแบ่งก็อรู้สึกจะสะดวก คาคุยรักยินดีรักแต่คาคุรักไม่ยินดีรักมนจะแดงก็ทัดข้องเรื่องของจิตมันถึงกันการสืบธรรมะเคยสเคยคุยสู่กั่งๆนะเป็นสิดสิดปีแต่มาอยู่นี้ดูว่าเราขา แบบทุกสิ่ที่บตรธรรมะเคยสร้งก็นศาสตร์อากจะเอาธรรมะอะไรมาฟื้นให้สร้งอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเคยสูญไปแตคิดเอจว่าเรื่องธรรมะเหมือนอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันทุกเวลาความหิวความระหังมันก็มีเป็นธรรมดาการทานอาหาร แล้วคยทานผ่านปาเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีมาแล้วเราจะเปลี่ยนะ่านเสือไปมาใส่ทางจางหูมันก็ไม่ถูกแล้วเราจะมีใส่เสียอาหารไปเสิร์ฟทางจมูกทางหูได้มีการทางธรรมะการที่จะทำมากก็ทำนองเดียวกัน เดีวเราเคยสร้างจิตสนึกแดอยู่เรื่อยก็ตามเราก็ต้องรับสร้างอยู่เรื่อยที่กินมาอยู่เรื่อยภานาทองเก่าเราเนี่ยเจคนหน้าใหม่ที่เรียกไม่่ตัวใหม่มาจากที่ไหนธรรมะตัวใหมีท้องใหม่เกิดขึ้นเราสัญญสาสายอมับเกิดสิ่ในจิตในใจที่ไหนก็ทําไปอยู่เรือย ของเก่าแต่ทำรวยไของเก่านั้นแหละมันเกิดเกิดอันีส่เหมือนกันกับการทำาเสียงที่ดินของเก่าอยู่ก็ทำกันแสงที่ทบนยอดเขาหรือว่าบนตแม่หรือไปทาบนอากาศผิดเียก็ทำลงไปทาเพีเพีก็ได้ กา่ทำเหมือนอย่างสิ่งที่เคยทำเกิดการที่ใหม่เป็นทำที่ไหนกันกับทำที่ดินของเก่ามีการที่แกน่ายกของทําก็ทำนงเดียวกันทังไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าอต่เราที่จะมาจริงจังทำมันจเรวมอยู่ในใจในใจเท่านั้นแน่นอกไปจากตายจากใจ ไอ้่เหือมันมีอยู่อย่นี้ตัวของเราจึกกันดีดีตักฝงทั้งแต่มันจะเป็นอริยธรรมที่อริยธรรมนั้นแล้วแต่ความลาของเราที่จะรักษากายและใจใจของเราถ้ลาดกาสามารถทำฝึกปิในทางที่ดีได้ฝึปิด ในทางสุดดีทำในทางทสุดดีจิตใจมันก็สะอาดจิตใจมันก็เย็นจิตใจมันก็ส ง, งบเพราะคดีทำด็ดีเสก็ดีไมมีอะไรที่จะผิดบาปความพริงคืออาจทำไปใจมันจริเดือดร้อนใคขาจะลาตายตู่ดูหมิอนอย่างไร โดยอำนาจความรู้สึกของเราเราความสามาที่จะเตใหญ่แได้แต่จะพูดตอบถอ่เถันของเขาไปดีแต่เราจะพูดไราจนิ่งเฉยนั่นลว่อะไรที่จะแสีเหง่อในจิตใจของเราไม่นได้ในตวเด็ดเดี่ยว้กันทาการสื่อการคิดข้งต จมันก็เลยรับความสุขความสงบความเย็นสวสบาหนี่หมา ย, ยถึงถุกริทธรรมเ่วนถุกริทธธรรมหรือเรื่องอาธรรมความเสื่อนโกรธไปจากที่อื่นอีกเหมือนกันไปจากกายจากใจทีงเราจิตไปทาไปพูดไปคิดใ น, นสที่ผิด หาใจว่ามันถูกหาใจว่ามันดี ร, รู้อันหน้า ร, รู้จักอยู่แล้วว่ามันเสื่อมมันเสียแต่สาคูนทำไปอย่างนี้ เ, อเยอะรู้อันหนต่อชิ้นเละแต่เร า, าทำลงไปปลุออกไปหรจิตไปในเรืร่องนั้นคนอื่นเขาไเ็นแต่จะตัวขอาเองก็้ เราญาตนี้เราทำสิ่งที่ใ น, ทททในดีละละใ น, ใ น, ในทูกต้ อ, องตา ม, ามอัตมาทำเราหุ่นสิงทงี่ดื่มกินเท็พโกหกพกลมนามจรินอะไรเลยได้นะคะในตามเสด็จไม่ได้เราคิดในสิ่งที่คิดในถูกต้องตามธรรมนองธรรมคนอื่นเขาสงสแ า, าแล้าคราแต่เรามีปตจติ ที่สุดที่จะนาดูเดือดตัวของตัวแต่ว่า้เรื่องของเราที่ตายใจนี้จึงเป็นธรรมเป็นทั้งอธรรมทัเป็นธรรมดีชัวผิดถูดที่เียกับวิเกตันหาหรื้มรรคผลนั่นไปอยู่ในตัวพองคนเราอยู่ในที่อื่น แต่สร eh ับตำราทีอแต่เขียนเอาไว้แต่สำหรับตำรานั่นเลยเกิดที่เหลือปัญหาอยไปสวรรค์านอยเกิดเป็นเกิดตกนรกอะไรถ้าตำราเน้นไม่ใช่ตำราต่างหากไม่ใช่ตัวขธรรมขปุถุสดีแคชั่วเขียนเลชั่วขนาดไหนความช่วอนั้นนันก็เลยเสียหายอย่างไป ที่ไหนซึงวันจเวลานั่นก็หมดาอายุของมีนก็ขาดไปตามเรื่องหาคนหนึ่งเอาไปสื่นไปเผาตำราของวิริยตำราของมักกมันมีเช่นนั้นมันเหนื่อยนใะจด้วยมันไปทำดีทำชั่วแต่ตำรานั้ยมันเป็นประโยชน์สาหรับคนอืาา่นาต แคอ่านรู้เข้าตะนำมากำหนดที่จะมาเพิดเวลาจิตใจของตัวสิดเชื้อติดเสียเสหมดมันสิ้นไปแต่ไหนนำมาสมานั้นมันต้องมีอะรที่จะเกิดประโยชน์ให้ตวลาติดเชื้าว้มันเป็นประโยชน์สำหลับคนสนใจเท่านี้ เยนเาไว้ววเราก็เทราบแบบจะไปรีทกปฏิบัติถูก ต, ต, ต้องตามค น, นสอนสองธรรมได้อย่างไรแต่นั้นํำลาจึงสำคัญอยูเที่ว่ามีความสนใจไปศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกตามคาแนะ น, นำของารรมกใจมันเย็น มันสขมันสงบนั้นกายใจของเราจึงเหวยเสืยอเทางขอธรรมะทาของกิเลสปัหเลอ่ะธรรมบทใดข้ใดทีเป็นเขียนเอาไว้ในตำราต่างๆเอาเขียนไปจัดกายใใจทางนั้นขนผ่านรู้ที่เขียนบอกเ่าให้เราฟังเราจะ ยินดีแต่เพื่ปฏิบัติตามหรือไม่ยินดีไปเพื่อปฏิบัติตามทนหนเลกห้าไม่เับทุกตับถกไมเลยผลแต่จำไรอะไรจากเรานอกจากตัวของเราเองถ้าไม่เพืปฏิบัติตามความเดือดร้อนเรื่องของกิเลสัหาความเ้าหมองของจิตของใจมันก็เกิดขึ้น อะในตัว้องเราเองเราจะทราบวาจิตมันว้างุนจิตมันส่งซึ้งดุนเชียวจิตมันไม่สงบไม่เดือร้อนนตัวของตัวตัคนเขียนนั้นจะเดือดร้อนถ้าเราอยจะปฏิบัติตามคาสอนของท่านถ้ามันเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวเรา เป็นคนทำคนผูกคนคิดต่างหาเป็นคนเดือดร้อนถ้าเรานมคำสอนทั้งท่านมาฝึกหัดปฏิบัติกายรายใจของเราเราจมีความสุขเราจะมีความเยือกเย็นจะมีทางตันหนึ่งสิ่งที่จทไปคิดไปคิดไปใจในสติ๊กใจในสุขใจในสบาย แต่คนทิดเชียงทำเรื่องแล้วบาดหายไปแล้วคนนี้หรือยังมีชีวิตอยู่คนนี้เดี๋ยวถ้ามีทงอาคาดีอะไรจากเราิเดี๋วจะพิชิตปฏิบัติไปแต่นั่นถ้าเราเข้มใจในเราเห็น่เราควรจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีสาในการเกิดมาเป็นมนุษย์รีบปฏิบัติสิถูกต้อง เดีงาที่ตาถือไปท่านลักสอนวักไปจนหดเสียชาที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นโมฆะบุญโมฆะสุขีมีโอกาสเวลาที่จะได้รู้ได้เห็นอัาธรรมเกิดขึ้นภายในใจของตัวโดยการสาธิตปฏิบัติ นี่เป็นเรื่องทุกคนที่ควรสนใจควรฝึกอ่านฝึกหัดปฏิบัติจิต ใ, ใจมันสงบจิตใจมันเย็นมันสุขถ้าจิตใจนี้ถ้าไม่ฝึกหัดปฏิบัติในทางอาัดทางทำมันก็ไหลลงไปสูที่ต่ คือเรื <Wat> ่องัญหาสุขเพลแต่ตามเรื่องของกิเลสแล้วก็หมือนทานยาพิษเสีดเหมือนตาทางออกหวานๆในเรื่องอยากเราชอบใจอยู่นั้นเน็นวาคื่เหล่านั้นมันดีมันมีคุณค่าแต่เมื่อเราโยห้องเสียติดในสิงนั้น มันเกิดพิษเกิดไทยเกิดก ท, ทุดกข์ขึ้นให้นี่คือการรักษาใจโดยเจนาการธรรมฝิดเชื่อระยะสั้นนิดหน่อยเท่านั้นจะติดกันลไหลกจนไม่มีทางออกติดกันอยู่เนะ จะถังบังตาถ้ามมีอุบาสกาไม่รึกปฏิบัติรักษาเขใจเ่งของกิเลสมันเยื่อยุจิตใจของคนหลงไหลใส่ฝันแบบนั้นควรจะน่าติดกันเพราะเมามีอัตมิธรรมไรที่จะทำไม่เห็นความศีอะไรคือจะดีด้วยเิดไป <แ>บาาเรื่องพิรุธคโลกเขานยมชนชอบกันเพราะเมื่อฝึกมาปฏิบัติทางฝึกปฏิบัติทางอัดทางทำใจที่ใชซึ่งจงยิ่งเกี่ยวจะรูเสียงเ่าต่างๆมันได้สงบลงไปเหความฝึกภายในใจว่าึกอันนี้มีคุณมข้าสารสง ในสุขแบบสุขในเรื่องของที่เหน่่อยเป็นสุขทู่เหออาลิตจิตในจิตในใจจากการส่งรักจากสังจิตใจการปฏิบัติภายในเราเห็นเราเปลนภายในเราแราลี่ยนเสื่อืองอะไรเดี๋ยวยิ่งจิตจิตกลงเรื่องธรมจุต ข้างนอกอีกเพราะความฝึกท um ี่เราเห็นที่มันเป็นในจิตในใจนั uh, ้นนั่นมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในมันอยู่ในใจของเราเองเราฝึกเราปฏิบัติเราจึงเห็นจึงเย็นึงสงบอย่างนี้เราจะได้คิดอันนั้นยร่งอันนี้อยื่องวัตถุ้ายนอกจิตจึงสงบจิตจึงเย็น จึงสะดวกส บ, บายอย่างนี้มันม่เป็นเลยตายอย่างนั้นมันเป็นเพราะเราฝึกวิวัตริยบัตเราธรรมะภายในมีกำหนดใจของตัวเองตัดอารมณ์ปัญญาต่า ง, างๆที่เคยนรยยิ่งเกี่ยวให้ขาดออกไปตั้งใจกำหนดสิ่งนึ่งสิ่งใดเอาไว้ เป็นใจรวมสงบนี่คือการฝึกปฏิบัติหาความสุขหาสาระในตัวของตัวถ้าหากเไม่ฝึกไม่ปฏิบัติมันจะไม่มีทางที่จะเห็นความสุขความเย็นของใจยอย่างนั้นจะหลงไหลใส่สันคิดข้องแต่เรื่องโลกไหยไป เนื hmm. ่อยเหนื่อยเหวการฝึกภายในนอกจากคุกเงาทางนอกแต่คบเหนื่อะไรจะผิดไปเหนื่อยนั้นเนืยโสมหวังเหน่อยสักทีเราต้องย้อนผข้ามาที่จิจารณาศึกษาการปฏิบัติเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของญา เห็นด้ิยจิตโฉมนุตป์ติลาโพเป็นลาบอันจะเหิดที่จ้เกิดมาเป็นมนุษย์ตัดอ่นจำนวนหมืน่จ น, นจำนวนแสนจำนวนล้านมีมากในโอกาสเวลาที่จะมาเกิดเป็นมนุดเพราะอำนาจหลักฐานของเขามันต่ำแต่มาจันทร์ดวงืันทร์ มันก็มาในได้ถึงมาได้มันก็ไม่พอใจได้อาจในทำให้มนุษย์จะเป็นโชั่วลาบอันใหญ่หลวงพระพุตธเจ้าจะเป็นมนุษย์สาวกอรหัาาา น, าานจะเป็นมนุษ์ตลอดถึงจกตัวด้ไปจีพลาพาอนาคาควนจะเป็นมนุษ์ ถ้าฝกจะฝึกจะปฏิบัติได้หากเราเห็นว่ารื่องธรรมะมันอยู่กับเราพราที่จะฝึกจะปฏิบัติใหจิตใจรู้เห็นเยือกเย็นสุขสบายแต่เราเมาข้ามเนื้ตันหนตัวเองยกโตัวเอง เราอาทับอาบแดดกันนะไปรัดไปว่าจะเห็นพ่อมาทาอะไรก็นหน่งเป็นอะไรให้ก็ทำนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวไปหมายเอาขนอันสูงส่งมันก็เป็นไปได้เนื่องทําทำนาทำเตียงนิดหน่อยข้าวคือไปปลู่ไต่หวานเยง แต่ป้องเดียวเราอยากเวลาเกิดเกี่ยวอยากจะได้เมื่ออย่างที่เขาทํำจนถึงจนงานของเขามันเป็นไปไงบ้าเพราะเหกุผลผลมันเหมือนเช่นดียกันแต่นั้นทำมากนั้นถึงจะได้ผลนะอยากไปชี้ว่าเราอาพักอับปัญญาในสามาจิตติเจนาหรือตกผลปฏิบัติจนรู้เห็น จะงบเงนยนได้อยา่าไปถือหลายอย่างนะแต่ถือเราคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นม น, นุษย์เหมือนกันทำผีรื้อผีเหวี่ยงจะทำมนเพนเปนผีดีผีเกิดเราคเป็นสาธระท่านก็มีชเรียกตำแหาเลตบอกมาเหมือนกันกับเรา แต่อาศยท่านตั้งใจกําหนดขับไล่ชวนชวนเชื้อต่างๆออกไปจากกายจากใจสิ่งคนทั่วไปทําากแต่ท่านทําได้เราจึงยอมกราบไหว้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าหากเสมอกันกับตนหรือต่ํากว่าจปลงไปใครเล่าเขาจะไปนับถือไปกราบโต้ พอเราอย่างไรเท่ากับอย่างนั้นเหมือนกันอยู่ไม่มีอะไรที่จะดีหรือเสีพอที่จะนาศาึกษาน่าเลื่มใส่นี่ท่านตัวทฤษปฏิบัติของท่านเอาจริงเอาจังเต็จิตใจของท่านละถอนปล่อยวางเ่ความค่องติดติดแว๊บใ น, นิ่ต่างๆอย่างโลกเขาติดกัน เราจึงยอมกราบยอมไว่าเทว่าท่านดีเยี่ยมกว่าเราเราจึงถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ถ้ามันเสมอกันเหมือนกันมันเสมอกันไปหาคูหาอาจารย์ที่ไหนพอมันเสมอกันเราอย่างไรก็อย่างนั้นนี่ท่านมันดีกว่าเราท่านจึงมี อย่างเงี้สอนเราเราจึงเ่อนใสในปฏิปทาการดําเนินทางตาทางมาตาทางใจของท่านเมื่อเราถือว่าท่านดีวิเศษต่อเราเราจะตั้งจิบหาเหตุผลที่ท่านดีวิเศษนั้นท่านดีด้วยอะไรกายของท่นานจะมีเจริญมีเกิดมีตายเหมือน ก, นกันกับเรา ไม่เห็นอะไรดแปกแตกต่างกันสข็งขาอวัยวะทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงก็สมบูรณ์ในเพศของผู้หญิงผู้ชายก็เป็นสมบูรณ์ในเพศของผู้ชายในแปกกันที่แปกกันนั้นอาศัยความเพียงของท่านอาศัยปฏิปัญญาของท่านพรรมะสิ่งสิ่งชั่วเสียต่างๆให้ง่ายใจไปจาก กายใจของท like, ่านจนมีความรู้ความสลาดความสงบความสุขความเย็นภายในท่านเราอาจจะปฏิบัติอางท่านนันแต่มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นจะเป็นแาบท่านแต่มีแต่ความยากใน ลงมือชำระสา mañana, สางความเช like. like right? ื่อจิตจิตเตือมาอย่างไรปกคงเป็นคลองวายอย่างนั้นแล้วความดีมันจะมมีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นมาเพราะความเชื่อมันปิดบังเอาไว้ถัดถมเอาไว้อย่างความดีเกิดขึ้นเราจะต้องชำระความเชื่อออกไปเหมือนกันกับเราอยากจะเห็นที่นั้นมันสะอาด หนาอยู่หน้าอาศัยหรือมันโล่งมันเปลี่ยแล้วก็จะต้องถาดถางสิ่งที่เป็นข้าวศิษของความไม่สะอาดออกไปเมื่อเราถากไล่เราถากถางออกไปทำที่เป็นป่าเป็นโดงนั้นมันเริ่มหายไปเอาไฟเผา ก็หมดไปตอนไปพูดว่าเียบหาอย่างนั้นมันเป็นพุ่งเว่งว่ามีต้นไม้ปิดบงังในตอนไปพูดหาแต่ล้วทาลรสาลงไปไฟเผามันพู่งมันก็หมดไป หาเด่นคือาทำลายไฟที่เผาหรือตัดสั้นเด่นที่เด่นปัญหาความเสีดเสียต่างๆนานาที่มีอยูาใาตาจะทําน้าเยวกันทำให้ตัดให้สั้นเรเผาเด่ตัดคอวามเียคือสติปัญญาขับไล่นั้นไป ใจติดเคยหลงไหลใจติดเคยคล่องจิตใจดเคยทุกเหลือมร้อนต่างๆนั้นถ้าหาเราปฏิบัติถูกตามคำนองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรสอนเอาไว้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังความสบเป็นอย่างไรเราจะเห็นในจิตในใจของเราความสุข การเย็น้องใจเป็นอย่างไรจะเห็นในใจมีสิทธาาิ์แก่พพุตธเจ้าหรืออริยสาวกเหมอนมีสิที่ท์เท่าน้าถ้าจะเปฏิบัติเหมือนกันกับทานมาหารความทานจะต้องอืม่มความอื่มนั้นเ ม, ม่ว่าสมัยพุทธการหรือสมัยปัจจุบันมันเหมือนกัน เด็กทานอาหารกินอาหารนั่นก็อิ่มกินใหกินนันก็อิ่มนั่งเยื่อกินนั่นก็อิ่มถ้าหารกินันก็อิ่มแต่อาหารนั้นมันมีเสียงพอมันต้องอิ่มเดนจากอาหารนั้นมันมีน้องมันมีทอต่อปากตท้องเขาวันใดการต้องปฏิบัติ ตะทำนอนโยกกันในราวสมัยพุทธรรกาลหรือสมัยปัจจุบันคนที่ติจางหนาบางตาไปปฏิบัติรักษากายรายาใจขอ้งตัวกําจัดชูกบนเพนดีจิตมันจะเย็นมันจะสงบยิ่ ง, งรรในสมัยพุทธกาลกับยิ่งในสมัยปัจจุบันมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันผู้ปฏิบัติ ท่านก่อสร้างรทำลายกิเลเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวการเป็นมูลฐานของกิเลสถ้าสิ่งทั้งสามนี้มีมากเท่าไรมันก็ไปกันได้ความสงบสุขภายในมองเหนล้วสิ่งเหล่านี้จบปิดเอาไว้หุบหัวเอาไว้ ใจของเลาเนี่ยเห็นความสงบสุขเหมืนเห็นอาจเห็นทมให้จากนั้นต่อขับไล่ต่อทำลายความโลภความโกรธความหลงของตัวออกไปจากใจของตุวโดยอุบายปัญญาที่แกนาหาเหตุผลมาแก่ความโลภ ความหลงทางสุดเศผลก็มีอยู่แต่เราไม่มีปัญญาที่จะนํามาแก้ไขถ้าเราไม่ได้ศึกษาด้ปัญญาก็ตั้งใจขับไล่นิดหน่อยมันไม่ถึงรากฐานของมันเหมืองกันแต่เราถาังศาสนั่นเอขุดค้นรากเหง้าของมันขึ้มนมา หายเ่ลายถังตัวแล้วป่อยเอาไว้หลายเดือนหลายปีเท่านั้วก็หกเนาะขึ้นมาอีกเหมือนติดเป็นดงเปนตานาทึบเหมือนเดิมมันเป็นธรรมนองนั้นถ้าเราถางตแล้ว เยอมเยอเนี่ยเ่อไปแล้วอะไรที่มันงอกขึ้นมาอีกเราขดค้นหลักต่อของมันหลักงอกของมันขึ้นมาเหยื่ออีกเหมืนที่สิดมันก็ตายอย่างนี้มางอกขึ้นมาได้มีการปฏิบัติตานจัดระกบขนหง ออกจากใจแต่ทังยังเดียวกันพหายามคิบค้น่เจารณาดีเหตุผลของมันความอยากได้ที่ไม่มีสังสาเลยเถิดเลยเดินผานลาภสามโลกผ่านั้น่องมีสังสาธรร ม, มาดาอยู่ในกอบ ต้องฝีนต้องทำทางตะหนีแล้วโลภมากเท่าไรใจร้อนเท่านั้นไม่มีความสุขความสงบให้มีมากเท่าไรจะยิ่งยางเรยมากเท่าไปนี่คือทําโลกของใจไหนที่เจอหนาหาทางทำน้ ทางะมันก็มีพยานหลักฐานที่เราเห็นเดยตาของเราก็พอนำมามาสอนใจของเราได้คนอยู่เท่ายื่นวิ่งแสวงหาสมบัติพัฒฐานในเชื่อไปรวัตไตรลาจัมชินภาวนาในเชืเหตุท่านธรรมการสืบเอะไรนี่ต่แสวงหา ตลอดวันตลอดเวลาได้มากก็เก็บรักษาชายซอยอลไรก็ไม่ใชยเจริญ้ายซอยสะดวกสบายชอบทำมัวหนีห่วงเอาไว้แล้วพอตายไปล่ะเห็นไหมหอบหืดหาบหามไปไหมเวลาเป็นอยู่ก็ไม่มีความสุขกาวสุดใจมีแต่ยาเจ้าเวลาทายไปแล้ว เอาไปเลยได้เวลาจะเจของครนกจากอยากจกายของตัวเองกเอาไปเลยได้หนึ่พยายามหลักฐานที่เราควริดอ่านสอนใจใหงเราอยาให้โลกเนไปอยากได้นี้สั่งซาื่มด่ำจนในนี้ความสุขความสงบถ้าเราสอนตัวพเราอย่างนั้นที่เยนมาให้ถึงจิตถึงใจจุ่งจ ทำส่องของพเจ้ามันจะกินแค่ไหนเหตุผลมัมีได้อไม่มันจะเกิดประทับใจล้วทำรู้กินเห็นจริงถึงเราไม่ใหญ่ได้แล้วนี่ยหิวหิวเรายึดถือสิ่ง่านั้นมันกลเป็นของเราอยู่โดยดีให้เราด่มเนื้อมันอยากให้มันยู่มเนื้อเราความใหา่ได้เหล่านั้น คามโกรธตันี้ทั้งทั้งทั้งี่เหลี่ยมหลัควาโกรธไม่ดีแต่ช่วยไยังย้อโกรธอยู่ใรบ้าหรือทาอิจฉาอะไรสินี้ได้โกรธตาดำตาแดน้เป็นผีบนยกขึ้นมามรนเหนอย่ความโกรธนั้นมันเผาตัวของตัวมันเัวมันสีย เะสติปัญญาในทันในเวลามันเกิดมาทราอยู่แต่มันไม่ทันถ้าเดโกรธเข้าเหรอรูจสงมันเบามันสบายไปคือมันเมื่อไปหมดแล้วมัอย่างนี้ที่จะเมื่อไมกดับตัวเองไปถ้า่ัมันมีที่หนยังไม่ได้อีกหนึ่งความโกรของคนที่หนึ่ง แต่ปีตัญญานั้นทน์ใน ม, มีธรรมะส อ, อนจัมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเมื่อเวลาดูในเวลาชมในเวลา่นใจมนุษย์เห็นตัดเห็นมันเกาะกูยิ่มหนีเสร็จแล้วโกรธลรวด่าแลาว่ากรตัดเข็นใจไหมนจ่ตัดภาษามันก็เป็นวิ่งหนีพอเมื่อยิ้ดีทีจะรับเอาโกรธไว้ เราจะละอาใจแต่สัตมันจะมีจารนาเราเป็นมนุษย์แท้ๆจยินดีสะสมสัตว์อะไรอยู่หรือจะต้องขวัญใจตัวเองคนอื่นเห็นเขาลยพอใจเราเห็นคนอื่นอยู่เท่ากันอย่างนั้นก็เหมือนกันแต่ทำไมเราเราเป็นยึดยึดถือเึดชอบ เกิดเหตุกรรนั้นในฝัดนี้เกิดข้อเสติปัญญาในบททำเรื่องของวิเลี่ยกันหาคือ่วกับโลกความโกรธนั่นเองถ้ามันเกิดทันกันเข้าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นกระดับทันถ้ามันมีกําลังเสมอกันมันไปไม่ได้ถ้ามันมีกำลัง ขออัดขางทำนั nào, ọn, ่นนั่นมีเศรษฐีปัญญาสอนก่อพอมันเขึ้นมาถวนั้นนั่งแสลงครับแต่อันนี้ไม่ใส่ของดีอดีอะไรแต่ตั้าของตัวาป่ม่เาเผาเจาร้อนคนอื่นเขาจะรับเอาทำไมฮะหน่อยของเหม็นของฉุกของเสียของออย่างนี้มันจะจับอิหบในจิตในใจในตัว ความใจของตัวเห็นละเหตอผลในสิ่งผิดเขียวผิดเสียเอย่านั้นนีคือสติปัญญานั้นนะของที่เดดปั้นแหันพูดไปทาไปไม่ได้คิดไปไม่ได้เขาคิดไปแต่ละอายใจมีหิริปิดปกจะดึงตัวต่อความชั่วในที่จะทำจะพูแต่คิด ดูคนปฏิบตามอาธิธรรมของพระเจ้ามีความสงบผ่าเผยมีความเสียบปานะมีความเย็นความสงบความอื่นเห็ีนก็ยนตาที่เจรนาก็ยนถึงใจเราด่าได้ไห้อ่ะความเย็นความสงบความสุขความสบาอย่างนั้น้ายางได้ ชาขอเรียกด้ทำละีตีชั่วตีเสียเรียกว่ายีเดียดตัเหหลบกัวเดียวออกไปจากตายไจใจขงเราเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มในายในใจนกาะสงใจันก็เย็นว่ของใจเองเชื่อง ตัวของตัวในมีความเชื่อความเชื่อท so ุงอย่างที่เกิดขึ้นมาแหลมละมันหมดไปความสะอาดผ่องใสเกิดขึ้นมาแข็งมันมีสุขมีสงบถ้าเราจะกิดปฏิบัติรักษามนี่ยจะอยากได้ เคยกันจัดเป็นออกไปเหม้วนเาต้งการคาสะอาดเราไม่ได้ตัดกวาดในทือนธรรมะศาสนาแต่ต้องการอยากให้มันสะอาดมันจะสะอาดไหมจากที่ไหนมันต้องทาลงไปที่ไหนมันเลยสะอาดก็ะปัดมันไปกาดมันออกหนีของสกปรกหัวมองต่างต่างเหมือนเราทำลแล้วมันอยู่อย่างนั้นขาดใจมันอยู่อย่างนั้น ความสะอาดไม่จงละเอียดหาเพราะทละความโปะโปะไปแล้วความสะอาดจะเกิดขึ้น ม, มาแทนนี่เรื่องธรรมอาจธรกมขอทำในงเดียวกันนั้นมีอยู่ในพวกเราท่านทุกค น, น, น, นเราต้องมีสติมีปัญญาลืเอียดหาสิ่งสิ่นสาระเราล่ในตัวสื่ีส่ เชือรืเสียเป็นสําจัดถับไล่เนออกไปเมื่อเราทาดีดังนั้นกาจัดมันดีดังนั้นถึงวิเวฒมันจใหญ่โตขนาดไหนเพอาศัยการทำลายการชำระอยู่เรื่อยมันกลบออไปเราจะใช้ยิงโยกเงิเรื่องต่าง แล้วธรรมะมันออกไปวันนั้นนิดละนี้หน่อยเนที่ตุดเคยคิดเคยคุยเคยยิ่งเคยเกี่ยวมันหมดไปสงบไปแ ว, ไปไว่ากันซะภายในใจเท่าเพราะทำเป็นสันทีททโ ก, กู้ไปปฏิบัตรรนะิของนั้นเัาเห็นเองเป็นจับจัดจ้านมีแต่ตอค อ, อื่นจะไม่เห็นให้นเ่แต่เพราะในใจในใจเทาเราเราเชื่อในแสดงออกมา แร้วกหกแต่เรายังช่อหนือนเราหิเราเลยดเดือหนใครเขาฟังแล้วก็รู้จักว่าเราหิอยู่แต่เราอื่น่ะคนอื่มเหมือนเราวางให้เราจะสาในตัวของเราไหมเวลอิ่มันจะทำานเดียวกันแต่นั้นเรื่องความสุ่ความทุกข์ดีเชื่อช่นดีดีธรรมมันม่อยู่ในภายในตาในใจขท่า ส่งพาการเร่นการทำบเททำเพ็ญชาระสาสางุบุญคือความสลุกความเยันความอิ่มใจมันเกิดขึ้นอย่าไปคิดสึงพาอาศัยคนอื่นหลัการนั้นก่อนเวลานี้ก่อนเราจงทำเด็ดไปเพราะความแก่ความเก็บความตายนะครับไหลนะ่มาทุกวันตายไปแล้วทำไม่ได้จะให้ทำจะเหตุท่านได้จรจะ เมื่อเวลาเรายังเหน่ตายจะรักษาศีลจะรักษาได้ตอนที่เรายังไหนื่อยตายมีลมหายใจอยู่นี่แหละจะพ่อมาเหมือนกันมีคนตายไปแล่วสุ่งจะทาคนตายอย่นี้คุ้มค่าอย่างนี้ารจะไปฟังได้เขาคืไหมเขเอาไปได้เราต้องสอนใจให้เรา กำหนดทีจรมาทานอยู่บ่อยๆทำละอยู่บ่อยๆความสิดความเย็นควาิดของใจนั้มันก็เกิดขึ้นเห็นขึ้นเป็นขึ้นอยงเราสาตเองอย่างเราทานอาหารน่ะทานี้ไว้อิ่มพอทำที่สองที่สามเื่อเข้าไปสิกจะไม่อิ่มเิื่อ้ไปะไหลล้วจึก็อิ่มเท่านั้น มีการทำความดีกเหมือกันทำแนี้จะให้มันได้ที่เดือที่มีอยู่ในตในใจ่างนั้นตกมันหล่นไปหมดมันได้ไม่หมดแต่ทำมันไปเหมืองกับแต่เราทานอาหารได้ไม่อิ่มแต่ทานเดไปกามอิ่มนั้นถ้าเราทานเยอะไปแล้วเราต้องหยุดแล้วจาบอกขึ้น ในตัวของมันและอิ่มแล้วชาแล้วเอาไปอิ่มไม่ได้มีการชำระจิตใจกับทางในเรื่องการทำมันสงบไม่โกงซ้าในตัวของตัวเองนันถึงที่สุดแลาวจะมีอะไรกิดจิตชำระจะเป็นเพียง้ม่โกงซ่า จากจิตจาใจของตัวเองที่จะทําบนเพลนแต่นว่นเราทุกคนจึงมีสติที่จะปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราอาภาพอาบาาสนากาใจของเราเป็นทางทั้งคำเนี่ยมอนกาหนดที่นึกใจมารมะจริงจิตทันเรื่องวัตถุเรื่องเพลินจริงจิทันเรื่องว่าเป็นธรรมให้มากขึ้นเหนือต่างทางต่างคน สนใจต็นของตนการจับขับไล่สิ่งผิเชื้อยู่เสีย อ, ออกไปจากกายจากใจนำความดีเสีสสยสีนสมาธิปัญญานกําหนดที่ใจะนขัาาละอยู่ดียๆอิจฉาริมุติจะเกิดขึ้นในที่เรากับทำมงเพนม์นัมม่นเอง ตจมันจะเกิดขึ้นที่อื่นจะเกิดขึ้นที่จิตอิตมันเคอร์บี้เคยเดือดร้อนเคยจิตยึดยึดข้องยึดถือต่างๆมันจะกลายเป็นว่าของมันเราไปจะทราบในจิตในใจทั้งตัวเอง